นัโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทสะนโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทสะนัโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทสะ กิตตังรันตังสุขาวหางังธรรมะสกิยายัสสะถายัสมันเตหิสกัจยังธรรมโมโซตัปโอตี <c oughs> โอกาสนี้ก็เป็นเ <c oughs> วลาที่จะ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 กายสบายใจแล้วก็อบเบกตะปั ญ, ญาตานั้นได้อุลมสั่งสมมาแล้วได้อบรมจิตมาแล้วลายชาติสงบัติเป็นคนมีความไม่โลภเป็นคนมีความไม่โกรธเป็นคมมีความไม่หลงความไม่โลภเพราะนามมิสัยชอบทำบุญให้ทานเนี่ยมาหลายชาติแล้วอย่างพวกเรานี่สำนัญท่านได้ข่าวว่า ม, มีวันนี้มีครูบาอาจารย์ลุงปู่ลุงพ่อมาแสดงธรรมที่นี่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 เสีละสิ่งที่เสียสละยากที่สุดก็ฝึกมาจิตโตองค์ก็เต็มไปด้วยความไม่โลภนั่นแหละเป็นนิสัยมากี่กับกีการแม้แต่ประจักราชสมุนเทียนเข้าของเงินทองเจ็ดยศสื่อเสียงฐานะะวิชาการต่างๆทั้งโลกที่ศึกษามาก็สละได้หมดชาปน อ, องค์ไม่ได้ฝึกมามันก็สละไม่ได้แหละเพราะ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 เป็นเนติแบบฉบับเป็นจอมาศาสดาสามไตลโลกธาตุเนี่ยพระองค์ชาติที่ยังไม่ได้ตัดสร้เนเป็นเท่าโพธิสัตว์เพร า, ะ, พอารอพระองค์ก็สร้างอย่างนี้อย่างที่เราศึกษามาพระเจ้าสิบชาติน่ะอันหนึ่งชาติทุดท้ายเป็นชาติพระเบสันดอนนะร้เสียสะละมดใครทำได้หรอ เสียจลาดเมตลูกสุดที่ลักกันหาเฉลีืยเสียจลาปดประสาทราชพรเทียนขออะไรให้หมดเนี่ยคิดดูสิเพราะอะไรเพราะกองคกบรมมาแล้วไม่ใช่แค่ชาติเดียวไลยกลับไลยกลับที่เอาสมไขกของไหลแสนมหากัรั้งมาดัางนั้นก็นที่สร้างมาแล้วก็ผลก็เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดามนุษย์โลกจงเป็น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 จะให้มันปกติเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของความเสื่อมมันมีหน้าที่อย่างนั้นส่วนต่างๆของร่างกายเราใช้ไปนานๆไปแปดสิบเก้าสิบไปในหลวงปู่แวนธนาคารโอนั่นท่านกับเก้าสิบเอ็ดปีพอใช่มามากของต้องควรท่านกับพิจารณาท่านยังไงก็ไม่หายนะขอะท่านรู้ว่ายัางไงก็ไม่หายกต่เตรียมตัวละ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 ลานั้นไปแล้วทุ่มหนึ่งสองทุ่มนั้นก็นไปเดินตรวจเอาไปใช้ไปสูดดูใครเดินยังคงบ้างใครไม่เดินยังคงบ้าง<อ>คืนหนึ่งอาจจะมาไปนั่งอยู่ในถ้ำใต้ผ า, า น, นอนนั่นน่ะนั่งเดือดกำลังสงกงุ้มงับงุงับมันเผลอมันง่วงนั่งนานนั่งง่วงท่านเอาไปซ้ายไปสองดูเห็นเอเห็นอะ้รก็เาเงาเตือนท่านเตือนว่าอย่าให้มันสงบนะา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 ขางไม่ดีก็ว่าดีมันจะเห็นผิดจากความเปจริงท่านก็ ส, สอนให้ร่างทิฏติวิปัสสนาเนี่ยไม่เห็นช่นเห็นว่าผมงามมันก็บร่างไวมันไม่งามพิจนาถึงที่เกิดของมันที่เกิดของมันสีของมันรูปร่างสันฐานของมันพิจนาแล้วพิจณาอีก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 เออไม่หลงก็จะเป็นหนุ่มนะยเริ่มสี่สีบห้าปีก็เริ่มแล้วล่ะเห็นว่าผมเปนของงามท้าไม่ล่างก็กรรมฐานนั่นก็วิปลาสตัวนี้ก็จะขอตามครอบงามจิตทุกคนทุกการทุกสถานที่ทุกวันทุกเวลานาทีถึอขึ้นมาก็ถ้าไม่พิเกนาเ น, นี่มือจะเห็นอยู่อย่างนั้นท่านเป็นท่านเสอนให้เอาปัญญ า, าลงสมาธิ ต้องปู่แบรน์นะฮะสอนเนึ่งผมผลเล็บพันนั้ง5อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันเห็นทางตาขับไปขับมาเดินไปเดินมาเดินในกรมสองช่วโมงสามชั่วโมงก็เดินมาถึงถึงหกชั่วโมงก็เดินถึงนั้นตั้งแต่หกเที่ยงคืนชุนท้องนั่งดูสว่างเหอเอาอยู่จังนั้นแหละเพราะวัดต่อธรรมเกดีดมเคเทพเยอะเคบุญายะถึงท่ากหกตัวเองอย่างนี้ ถ้าเราหนาวๆเราออกไปเดินชมกลมป่ากิเลสยังี้ออกไปเดินไม่ถึงสามสี่นาทโอ้หนาวไม่ไหวแล้วเข้าไปนั่งสมาธิข้างในดีกว่ามันก็รู้แล้วเทวเทพทั้งระดับสูงก็จะรู้วรรคจิตของพระพอเราหลอกตัวเองนเข้าไปนั่งสมาธินั่งไปยังไม่ถึงสามสี่นาทีโอ้หิมหนาวนอนสมาธิดีกว่าเขาเป็นนอนเลยนอนไปพอเข้มหนก็จับกุติยกมงเหวี่ยงเลยปั๊บเนี๊ย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 ไม่จะเป็นไรหรอกอเป็นอยู่ที่จิจคนนืมถือว่าโลกเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี่เศรษฐกิจก็ไม่รู้เรื่องกันเลยแต่ที่ไม่ดีอยู่ที่คนนวดไม่ดีอยู่ที่จิตของคนดีก็อยู่ที่จิจของคนคนที่เขาอยู่สุขอยู่สบายอยู่ไม่เดือดร่อนพุ่งไาก็ไม่เยอะในโลกคนมัวเรื่องนี้คนที่ว่าวุ่นควมว่าเป็นทุกข์เดือร่อนไม่พอใช้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 ในกุติแต่ละหลังแต่ลหลังจะไม่ให้มีหนังสือธรรมะเลยถ้ามีแต่หนังสือวิธรรมวินยัยเท่านั้นแหะให้ถูกต้องปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วก็เดินย่างกลมเพลินนะเพราะว่าอาข้อปฏิบัติทั้งหลายน่ะทำวินัยจริงๆแล้วมันอยู่ที่อกายกับใจเนี่ยทำเก็อยู่ในรูปธรรมนี่อ่นามธรรมนี่เวทนาสัญญาสังขารสัญญาลรรูปธรรมคือทดินนําลมไฟนี่ทำทั้งหลายทั้งหมด